การตังธรรมของพระพุทธเจ้าตามขันนักฟังทั้งหลายจีเคยฟังกันมาในสมัยพุทธกาลมีอานิสงส์ยังบุคคลผู้ฟังให้หายจากความโง่กายเป็นคนสละ หายจากความรุ่มร้อนตายเป็นคนเยือกเย็นหายจากทุกข์ตายเป็นคนมีควาสุขขึ้นนี่คือการฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเข้าวัดเข้าว่าฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานมนานและหลายท่านหลายองค์ที่นา ทำคําสั่งสอนมาแสดงสู่พวกเราฟังพวกเราเชื่อเขาเราร้อนอยู่อย่างไรโดยส่วนใหญ่มักอยากจะเช็นอยู่อย่างนั้นข้อนี้จะตัณฑ์ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะตัณฑ์เราผู่ฟังถ้าหากสังเกตเหตุผลที่จะรายงานในตนจริงจังแล้ว คำคสั่งสอนเป็นของดีดีเสียจริงแต่ผู้ฟังไม่ค่อยยั่งจิบนึกคิดตามว่าทำท่านแนะนําคําสอนให้เราต้อพคิดปฏิบัติอย่างไรให้แก้ไขอะไรออกจากกายวายใจใจของเราเมื่อเราไม่คิดไมิอะไรน่ะแนะนำทำเข้ามาสู่ใจของเราอย่างนั้นใจของเรา จึงมั ว, มวเมาเฝ้าฝันไปสู่เลื่องภายนอกก่คอความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจะฟังไปขนาดไหนสักกี่กันกี่วันกี่คืนก็ต่างเมื่อใจของเราไม่อยู่ในธรรมธรรมักสอนของพระพุทธเจ้าความเดือดร้อนวุ่นวาย ยอมเกิดมีเป็นธรรมดาเหิดนั้นการตังธรรมพวกเราจึงควรกำหนดที่นิพิจะะารณาเอาเข้าไว้ในใจของเราไม่ต้องไปกำหนดเอาสละทยันช น, นะหรือบทบาทที่ท่านแสดงออกไปทุกถ่อยทุกคำพเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการแสดงยอมแสดงไปหลายแง่หลายมุม หรือหลายวักหลายตอนเราจะไใจจำเอาคำที่แสดงออกไปทุกคำย่อมไม่ได้เหลียววิสัยของการจะจดใจจำแต่ว่าใช้ทีนิ้พิจารณาคำที่ท่านแนะนำทำสอนไจจะเป็นส่วนหยาดส่วนกลางส่วนละเอียดก็ให้น้อมนำคำคำสั่งสอนที่ท่านแสดงออกไปเข้ามาสู่กายสูส่วยจาสู่ใจของตน ให้เป็นโอประนักนโโกน้อมเข้ามาสู่ภายในแล้วตั้งใจละทั่วที่ท่านแนะนำทําสอนจะทำบำเพ็ญทางดีให้เทวีคูณ ข, ขึ้นในตายใ น, ในใจท้องตนอย่าเป็นคนหลักลอย ถ, งถงงอึงการถึงคราวฟังต่อฟังกันใจพอจบเทศก็จบในการนึกคิด ติดตามเรื่องของธรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นในเวลาที่ฟังก็ไม่ค่อยสนใจในเมื่อเวลาจากการฟังไปก็ไม่พิจิตรารนาธรรมะจะเข้าไปสู่กายวายจารน่านใจองตนในดาศ์เมื่อธรรมะเข้าไปสู่กายสู่ใจในดาศ์กายใจของเราย่อมมีความเหลื่อมอนหรือมัวหม อ, มองเป็นธรรมดาเ์เขตนั้นธรรมคำสัำ่งสอนของพระพุทธเจา้า ซึ่งปฏิกันได้กับแป๊หรือสงสักฟอกสบู่สําหรับซักฟอกของตกกระจกออกจากกายรายใจใจของคนเมื่อหากบุคคล น, นําไปสักฟอกจิตใจเป็นอยู่อย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นและจะเพิมเรื่องความเต้าหมองขุ่นมัววุ่นวายให้มากขึ้นเพราะเหตุคือว่าเราติดตามเม็อคิดในเรื่องที่ผิด จากฝีนจากทำสม่ำเสมอส่วนทาคําสั่งสอนไม่ได้มึ่งิดติดตามจิตใจจึงได้รับความร่มร้อนหรือเศร้าหมองเป็นธรรมดาของมนอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สมมาสัมพุเธจ้าแนะนำธรรมสอนพุทธบริษัทผูหมุ่งหวังตั้งใจอยากจะรู้ความสุข ในปัจจุบันหรือความสุขในพบแน่หรือความสุขอย่างยืงพระองค์แนะ น, นําผ่านสอนสุขในปัจจุบันก็แนะ น, นําผ่านสอนให้บุคคลขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานของตนอุตสาห์พยายามสู้แดดทนฝนกระทบำบาเพ็นหน้าที่ซึ่งเป็นจิตบ้านการเรือนซึ่งจะนํา สมบัติพัฒตาฐานมาให้เพราะเหตว่ากายของเราเมื่อไม่มีที่อยู่ที่ อ, อาศัยไม่มีอาหารการบริโภคไม่มีเครื่องนุ่งห่มยอมได้รับความทุกข์เป็นธรรมดาผู้ขยันมันเพียนแต่กอบจิการงานไม่หยุดไม่ถอยไม่ว่าหนักไม่ว่าเบาเรียกว่าหนักเบาเอาสูเออหนักเอาเบาสู่ ผู้ที่กระทำบำเพ็ญการงานขยันหมั่นเพียรอย่างนั้นสมบัติพัฒน์แต่ฐานย่อมเกิดย่อมมีขึ้นได้ในปัจจุบันทันตาเมื่อได้สมบัติพัฒน์แต่ฐานมาต้อรู้จักรักษาสมบัติพัฒน์แต่ฐานของตนไม่จ่ายจ่ายใช้สอยไปในทางที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นําไปใช้จ่าย ใ, ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่น ผู้ที่รู้จักเก็บหอมรอมลิษทัพต้มบัติรักษาไว้ไม่ให้หายไปในทางที่ไม่ชอบได้เสียเป็นผู้ที่รู้จักหน้าที่ของตนเก็บหอมรอมริษทัพนั่นไว้ใช้จ่าย ใ, ในเมื่อชายจําเป็นเกิดมีขึ้นและรู้จักนำทัพต้มบัติของตน ไม่ให้เสียหายอย่างนั้นการจัดจ่ายใช้สอยหรือนํามาบริโภคก็พอสมควรแก่สมบัติทัดแตฐานของตนไม่ให้เสื่อมเทียงและไม่ให้ภูมิใจเกินไปทัพสมบัติที่ใค ย, ยันมันเที่ยงหามาไดา้และรักษาไว้ใช้จ่ายตามกําลังทรัดย์ของตนไม่ใช้จ่ายจนเกิดซืด้อได้หรือครบ หาสมาคมบัณฑิตนักษาจจะหรือเรียกว่ากัลยาณมิตรผู้ที่ประกอบจิตตามทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระองค์ว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันทันตาพระองค์สอนไม่ให้เราเกียดติทานให้เราเป็นคนขยันหมั่นเพียรรู้จักหน้าที่การงานของตนเป็นผลปัจจุบันในผู้ ฟังรมแล้วไปบำเพ็ญหน้าที่คงเต้ม อ, อย่างนั้นคนเกียดติท่านท่านการงานไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดย่อมจนสัดเป็นธรรมดาหากคนขยันมันเพียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากก็ต้องเลยน้อยเพราะเหตุที่เขาขายันจะทากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเียดนั้น ทำคำต่างสอนส่วนนี้พระองค์จึงกล่าวว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบันทันตาสาหรับผู้นาไปรักษาหรือต่อเพปฏิบัติตนทาคำต่างสอนที่พ้นไปจากประโยชน์ปัจจุบันทันตาพระองค์กล่าวว่าประโยชน์พบแน่ท่านไหมีตัดขาคือการเชื่อเชื่ออะไรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะกรรมคือการกระทําของเรา จะทำไปด้วยการโง่เขาหรือจะทำไปด้วยการเจตนาก่อตามพระองค์่าว่าเป็นกรรมการจะทำทุกอย่างการพูดทุกคำการคิดการซึุงทางใจก็เหมือนกันเป็นเรื่องกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าหากเราทำไปในทางชั่วทางชั่วเหล่านั้นแหละจะเหตผล ให่เราได้รับความเดือดร้อนเกอตนคงตนหากเรานิดที่จะรายเนานหีกั่วจะทำบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีความดีเหล่านั้นก็จะกลับมาสู่ตนคงตนได้รับความสุขความจเจริญในปัจจุบันทันตามีผู้นิยมนับถือต่อไปข้างหน้าบุญกุศลลึก ควาดีกรรมดีที่เราสะสมเอาไว้ก็จะติดต้นตามตัวไปให้ได้รับความสุขในชาติต่อไปทุกท่านทุกคนเกิดขึ้นมามีอวัยวะเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันแต่เท่าว่าสมบัติพัฒฐานที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆไม่มีบุคคลผู้ใดได้มาแน่แต่ตะลางแรงเรียวถ้าชิ้นเดียวขนาดนื้อสองนอ้วก็เปน ในติดตัวมาแต่เหตุดายใาเล่าคนเหล่านั้นจึงต่างกันเมื่อเติบโตขึ้นมาสมบัติทัศฐานบ้านช่องตลอดถึงความคิดความอ่านปติสัญญาวิชาคามรู้ต่งตางๆคิดกันเมื่อก็เพระเหตุว่ากรรมดีช่วยสนับสนุนทำลงไปในระยะใดสะสบจังหวะกรรมดีอำนวยผลให้ จะฆ่าขายก็ได้ชื่อว่าเมื่อเวลาซื้อจากเขาราคาถูกเมื่อมาตกมือเราราคาแพงขายได้ดีกำไรงามจะทำนาทำสวนกว็ตกจังหวะเตนมชาเตนต้าในไรในแน่เยลเซอุ่มชุ่มตาดอกผลก็ อ, ออกเม็ดออกหน่วยเต็มขี่เต็มฐานของมัน Là, นนะี่แหละอำนาจบุญปูศสนคือตามดีส่งผลให้ทำอะไรต็ถูกจังหวะได้รับความสุขความเจริญในตนของตนเหิดนั้นบุคคลที่ยกกอยากินเสินใจไร้ทรัพ อ, อัศจัญญาก็เงื่อดเลยว่าตามเก่าของเขาปิดบังเอาไว้คือเขาไม่ทำความดีอะไรวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบทางศิลปวิเนาไมได้ศึกษา ไม่ได้แต่ทำบาเพ็ญคนเช่นนั้นจึงเกิดขึ้นมาไร้ทรัพย์อับปัญญาทรัพยสมบัติจะแสวงหาจตกเท่าไรก็ไม่เป็นไม่ตาให้ปัญญาจะคิดอ่านแก้ไขความเป็นของตนก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนเช่นทรัพย์สมบัติภายนอกอก่อเ็นสมบัติภายในอ ส, สอสติปัญญาก่อเ็น คนชนิดนั้นได้อว่าคนไม่มีวาสนาตำหลับตำลาทางศาสนาสอนอย่างนั้นถ้งหากเรามีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้เลือกจะททำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ทั่วซึ่งจะนำตัวของเราให้ได้รับความทุกข์ความอดอยากจาดจเนเราไม่กระทำบำเพ็ญสิ่งนั้นอุตส่าห์พยายามติดตามทำคุณงามความดีเรื่อยไป ชีวิตจิตใจของเราเมื่อละจากอัจภรพอันนี้แล้วก็จะไปศพพบคุณงามความดีในชาติชางหน้า่ันจึงว่าจัทาสาไปทาเวลาสาไปทาถึงความโดยศีลคือตารรักษากายวายจาทั้งตนความิีเรื่องของศีลไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นมีอยู่ในบุคคลทั่วไปยิงก็มีศีล ชายก็มีศีลแต่ที่ใน่มีต่อคือเราไม่รักษาเพราะศีลอยู่กับกายรายจายเจตนาท้องใจเป็นปูละผูกงดเว้นท่องหาักเรามีเจอตแนาจะรักษาศีลไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นสาเร็จขึ้นจากกายจากราจ า, ายจากน้ำใจท้องตนศีลให้ผลแต่บุคคลผูกปักลึกไปปฏิบัติไหวเนื้อเชื่อใจ ไม่เบียเดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาตะระณาสงสารกันรักใครในสมบัติทัดแต่ฐานของกันและกันไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นซึ่งกันและกันผู้ที่มีศีลจะจําตัวผ่านจึงหวัดเป็นคนงามงามในปัจจุบันทันตาไดปสถานที่ดใดเป็นผู้งามสง่าในหมู่คณะพระศีล ที่ท่านรักษาทำให้ท่านงามไม่มีที่ตันหนึกงที่ร่างกายจะชิลาชิเล่แต่เชื่อว่าศีลที่มีอยู่ในตัวของท่านทำให้สะอาดงามใครเห็นก็ชอบอกจิตใจเพราะไหวเมื่อเชื่อใจได้ศีลเป็นของดีอย่างนี้หากผู้ใดรักษาศีลเอาไว้ในปัจจุบันทัานตาก็าได้รับอานสอิสง คือปราศ จ, จากความเห่าร้อนปราศ จ, จากความทารุณยินทาปราศ จ, จากเรื่องต่างๆที่เขาจะหาว่าเราะติดชั่วต่อไปข้างหน้าทีนก่็นํานกายนํามาจากของเราไม่เห็นเป็นคนวิบัติไม่ให้เป็นค น, น, น, น, คนอาคับนีท่านเรียกว่าประโยชน์ในชาติข้างหน้า มือีลและสัมปทานจ่าฆ่าสัมปทาอาศัยการบริจาค ท, ทานการกุศลอย่างพวกท่านผู้ทธ า, ายาะนี้ไกชนกธรรมบรมเพนมาการให้ทานทำกันอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาอย่างตอนเช้ากอดตะบะจังหันทำกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขาดวันมีไรเสียจ่าฆ่าสัมปทาภายนอกคือเป็นเครื่อง สละสมบัติทัศฐานของตนออกแต่ทำบำเพ็ญประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นส่วนจาค่าสำประาภายในหมายถึงสละละชั่วทางใจแต่ก่อนเราเคยโกรธหรือเคยโลภเคยห ล, ลงแต่มาได้ยินธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าโลภโกรธหลงเป็นของไม่ดีเราก็พยายามสละ โลภออกไปจากใจของเราสละวันนั้นนิดวันนี้หน่อยหลายครั้งหลายหลไม่หยุดไม่ถอยโลภที่ใหญ่โตแล้วโหดฐานนึกโกรธก็จากหายไปความหลงภายในใจที่เรายึดมั่นสาคัญหมายบายอย่างนั้นดีอย่างนี้ชั่วเมื่อเราที่นิจจาราณาทำคํำต่างสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปทัชำระสสารจิตใจของเราก็จะเบาบางจากคำ เมืดหนาจะมีสติปัญญาแทนความหลุ่มหลงของตนขึ้นมาภายในใจเกิดนั้นคำคำสั่งสอนส่วนนี้ท่านจึงว่าเป็นประโยชน์ครบหน้าสำหรับผู้ที่อบรมรักษาผู้ปฏิบัติจะได้รับความสุขความเจริญตายไปจากชาติอันนี้จะมีความสุข ในการต่อไปตายตั้งแต่ตายส่วนความดีที่เรากระทำบาเพ็ญไว้ไม่แดกหายไม่ได้ตายไปยังติดต่อยหอยตามตัวของเราไปสู่ภบน้อยพบใหญ่นี่แหละผู้ที่ตาถนาความสุขในการข้างหน้าต้องพากันรักษาต้องพากันกระทำบาเพ็ญประโยชน์ในพพหน้าเราจรึงจะไม่เสียวหวัง เราเลืกเลืกคิดอยากได้อย่างไรวิทราทพยายามจะทํากายรายาจใจของเราให้ดีความเลืกคิดที่เรามุ่หวังก็จะสมหวังให้ถ้าหากนีตั้งแต่ความเลืกคิดอยากได้ดีแต่การทําดีของตนไม่มีความสมหวังของตนก็จะต้องคิดหวังในสมหวังได้เศรดนั้นอยากได้ดีต้องลงมือทําความดี ามดีนั้นนั้นจะไม่หนีไปไหนจะสะท้อนย้อนเข้ามาหาตัวของเราผู้กระทํามอมเพม น, นี่เป็นประโยชน์เรื่องของพบหน้าประโยชน์ย่างยิง่งสี่องค์สมเด็จทัตผู้มีพระมาเจ้าทรงแนะนำค่าสอนโดยส่วนใหญ่สอนพวกเทกสุสา ม, มาเณรซึ่งเป็นประโยชน์อันยิ่งยวดสุดยอดของการ เลียนได้ตายเกิดอีกท่านสอนให้ภาวนาสำระกายวายจานามใจของตนด้วยอสติปัญญาบริกรรมทำจิตของตนที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่มีการหยุดการถอยให้จิต <c oughs> ได้รับความสงบเยเือกเย็นลงไปพอจิตสงบเยเือกเย็นลงไปตั้งได้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 ในร่างตายต้องส่วนสวยสดงดงามเมื่อแยกแยกะแฉดูเรื่องของร่างกายจริงจังแล้วจะเห็นทุกสึ้งทุกส่วนเป็นของสดๆโผโขกไม่น่ายืนดีไม่น่ารักไม่น่าชอบใจในหน้ากำหนักเพราะอำนาจของจิตที่ตั้งร่าที่นิจพิจารณาอะไรก็จะแขมใสชัดเจนเข้าไปแล้วพิจะะารณาเรื่องอวัยวะทุกส่วนที่เรายิ้บ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 ท่านจะต้องที่นี้ที่จะนาเห็นจริงตามสภาพของมันคือว่าอ น, นิจจังคือความไม่ตั้งมั่นก็เพราะเหตุที่จะแก่ไขจิตใจของเราสิทถือว่าร่างกายมันเป็นของของเราหรือเป็นของคงทน ข, ขาวอนถ้าหากมาที่นี้ที่จะนาอ น, นิจจังความไม่ตั้งมั่น ขอร่างกายจะเป็นหญิงเป็นชายก็มีการแก่การเจ็บการตายเสมอกันอย่างนั้นเม th ื่อจิตใจของเราอย่างเข้าทีนี้ทจ่จนานจิงจังเรื่องของร่างกายเหล่านั้นจะเห็นแยบชายเห็นเป็นของอันนี้ตังไม่ตั้งมั่นถาวรเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่ไม่ว่าเอไว้เรื่อส่วนใดผมจี่เคยโดดดำ ก็จะล้วงโรยออกไปหรืองอกขาวไปฟันที่เคยแน่นหมดเที่ยวอะไรได้สะดวกสบายท่านอายุแกเข้ามาก็โยกคอนเจ็บปวดตาที่เคยใสต่อมาก่อฝ่าก่อฟังหูที่เคยฟังอะไรได้ยินเสียงแกมไสก็จะหนวกจะตึงเข้าไปเนื้อหนังอะไรย่าทุกส่วนเป็นอันนี้จังอย่างนี้ เพื่อจะแก้ไขจิตใจของเราที่ไม่เชื่อทิพพานาให้ตกตะลือคือความรู้สึกส่วนนั้นบ่าล่างกายของเราทุกส่วนเป็นของที่ไม่ยงงียืงยืนอย่างนั้นจะได้วกเรียนที่นิพพานาของที่เสี่ยงแค่แน่นอนให้เกิดขึ้นในตนความจริงเมื่อมีปัญญาที่นิพพานอนิอนนจจเห็นไปจากชัดเจนอย่างนั้น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 อย่างที่อธิบายมาเมื่อเราพิจิตรเจรณาอย่างนั้นต่างท่านต่างคนก็จะรู้จักเห็นของจริงเกิดขึ้นในจิตของตนจิตเมื่อพิจารณะพอต่อเรื่องของธรรมจะต้องเห็นจิตซึ่งเราไมาเคยเลือ็ดแต่เก่าก่อนว่าจิตเป็นอย่างไรเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าจิต เป็นหน้าตาอย่างไรหรือเป็นรูปร่างอย่างไรเมื่อปัญญาละเอียดเข้าไปซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่ย่างเห็นแต่จากภาพเดินจิตที่ต้องเห็นจิตนั่นแหละเป็นของละเอียดมากหากผู้ใดอย่างรู้อย่างเห็นจิตของตนซึ่งเป็นของละเอียดอย่างนั้นไม่พัวพันกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องของถาดของขัน ท่านสาวอ่ะเป็นวิมุตคือความหลุด อ, ออกไปจากธาดจากขันส่วนธาตุขันเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นจิตของท่านไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาถ้าหากรู้จักดูเห็นชัดด้วยญาณของตนแย่งกระจัดขึ้นอย่างนั้นใจของท่านทุกการทุกเวลาจะอยู่ในโลก อันนี้ก็ไม่มีความเร่าร้อนไปตามโบกของเขาแต่สมมุติมีอย่างไรกอดใช้กันไปอย่างนั้นแต่จิตใจของท่านไม่ได้อยู่ในวงสมมติท่านหลุดลอยออกไปจากโบท่านจึงว่าดีมุดดีโมคือความหลุดความพ้นออกไปใจที่จะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นก็อาศัยำคำคำสั่งสอนของพระผู้ได้แก่ ที่ท่านแนะนำท่านสอนเอาไว้แล้วนำมาแก้ไขตายใจของตนซึ่งเคยติดของพัวพันในกิเลสปัญหาอายุชาอุปาทานต่างๆเมือ่อทีนี้ทิจไรนาจนถึงที่สุดของมันได้อะอย่างนั้นเรื่องของชาดของขันเป็นไปจากชัดเจนล่อยไปตามเรื่องของมันนี่เป็นเรื่องธรรม ชั้นสูงเป็นเรื่องธรรมประมัดธรรมของของ้าพุทธเจ้าถ้าหาจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกันกับสมบัติของเศรษฐีมีทุกสิ่งทุกอย่างคนจนมีเงินห่างเงินเศษเข้าไปซื้อของเศรษฐีแตมีขายให้คนร่ำคนรวยมีเงินแสนเงินล้านเข้าไปในบ้านของเศรษฐีต้องการอะไรเศรษฐีก็มีขายให้เศรษฐีเป็นผู้มีสมบัติขายนอกอย่างไร คำคำสั่งสอนซึ่งออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้า ก, ก็เป็นไปในเดียวกันกับเศิษฐีผู้ที่ต้องการประโยชน์โลกนี้ท่านก็แนะนำํำคำสอนผู้ที่ต้องการประโยชน์โลกน่ะท่านก็แนะนําคำสอนให้ผู้ที่ต้องการความหลุดพ้นจากโลกท่านก็แนะนําคำสอนให้เหตุนั้นพวกเราผู้เข้ามาวัดว า, าศาสนาอุต ส, ส, ส่าห์ละจิตารบ้านเรือนมาตั้งคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราโง่หรือเราสลาดก็ใหท้ทีนี้พิจรารณาดูอย่าจะไปตัณฑ์ติชมตั้งแต่ บ, บุคคลผู้อืน่นใช่ที่นี้พิจรารณาวัดกายราชานั่นใจท่องตนว่าเดี๋ยวนี้เ ร, เราเราลึกๆคิดคิดตามเรื่องอะไรเป็นธรรมเป็นเรียนในหรือเป็นเรื่องของโลกใช่ที่นี้พิจรารณาวัดดูจิตใจของเราถ้าหากรม่มหายตายไป ใ, ในระยะสาติันหันเดี๋ยวนี้ จะไปสวรรค์นรกหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือหากว่าเราเปล่าจากความรู้สึกกายจิตใจของเราไปอยู่สถานที่ใดเมื่อเราไม่รู้จกักกายจิตใจของเราใจเลือกคิดจิตตามเรื่องอะไรและสังเกตจับตัวของจิตไม่ได้เราก็ไม่แน่นอนว่าจะตายไปถกงชาจิภพชาติอย่างไร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 ทินี้ทเจราฝึกจตข อ, องตนนทาําคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาครอมาําระให้จิตใจของตนท่มัวหมองสะอาดออกไปจิตใจของตนที่เคยรุ่มร้อนให้เยียกยขึ้นจิตใจของตนทีนเ่เคยทุกข์เกิดสุขขึ้นจิตใจที่เหวีห่ยงแหง้ชุ่ม่งเบนิกบานเพราะการทีนี้ิี่จรานาย่อมเหม็นผลไปจากชัดเจนเป็นอย่างนั้น เศษนั้นการเขวัดภขา ว, าาาวาการจําศีลภาวน า, าการระดับจับฟังธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหากเราในทีนี้ทิ่จะราาตจิตตามจริงจังเราก็จะเหนือว่าทำธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แกเ่เราอย่างไรหรือหากไร้สาระการฟังธรรมในสมัยพุทธกาลทําไมท่านถึงเป็นผู้ดีดผู้ดีมีแต่จิปัญญาละปัญหาอุปาทานออกจากตัวของท่านได้ ทาทำคำสั่งสอนทุกวันนี้มันจลอมแปลงไปอย่างไรจิตใจเพราะผูกฟังทำจึงไม่ได้รับความสุขความเยกเย็นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ต้นิีตัวของเราว่าเป็นคนชั่วคนยังเข้าไม่ถึงธรรมเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงธรรมเราก็ขยับามตัวเข้าไปบ่นจนให้ถึงไม่หยุดไม่ถอยละสิ่งที่ชั่วจึงใดมันชั่วเราพยายามละจึงใดมันดี พยามามขอบปวยจะทําบําเชนเมื่อทุกท่านทุกคนพยายามจะทําบําเชญคุณงามความดีไม่หยุดไม่ถออย่างนั้นบางท่านต่างคนก็จะได้ไประโยชน์พบแต่ความสุขความสุขเมื่อบาง อ, บาอธิบายธรรมในวันนี้ <ừ. S 1> ถ้าจะอธิบายไปเมื่อก็เห็นว่าผู้ฟังเป็นเหนืห่อยเหนื่อยลาไปแล้วเหตุ น, นั้นในอวสานการอธิบายธรรมขอความสุข ตายสบายใจดวงเปิดมีแย่ชั้นนักปฏิบัติทุกเ์ควหน้ากันเพินเอวัง